ข้อความในทีขณิกายปาติกวัตรลักษณะสูตรภาษาบาลีใช้คำว่าลักษณะภาษาสารสกฤตใช้ลักษณะก็ต่างกันนิดหน่อยต่างโดยคำฉะนั้นลักษณะณที่นี้กล่าวถึงมหาปริษลลักษณะของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นท้ารหันว่า พระองค์นั้นทรงมีพระลักษณะอย่างไรในลักษณะแต่ละอย่างของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นก็มีกรรมเป็นเครื่องจำแนกให้ว่ากรรมที่ทำให้พระองค์ได้พุธทธลักษณะแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็มาจากกรรมคนละอย่างคนละอย่างเรียกว่าโรงงานผลิตอะไรนี่อยู่คนละแห่งคนละแห่งคนละแห่งคนละชาติคนละภพเลยประมวลการระดมกัรมาช่วยเสริมช่วยเติมช่วยแต่ง ให้มีลักษณะเป็นมหาปริษลลักษณะจนได้ลักษณะของมหาบุรุษคิดดูว่าลักษณะที่ตกแต่งเนี่ยนะบำเพ็ญบารมีเนี่ยใช้เวลาสี่อสงไขยแสนกับนับแต่วันที่สมาทานบารมีทั้งทั้งสมสิบทัดจริงๆเลยเมื่อวันที่ได้รับพุทธพยากรณนั้นส่วนใหญ่ พระผู้มีพระภาคเจ้าตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์ก็คือนับตั้งแต่วันที่ได้รับพุทธภยากรได้รับคันธนนาจากพระผู้มีพระภาค พ, พนามวัตถีปังกรแต่ก่อนหน้านั้นก็เป็นพระโพธิสัตว์อยู่เหมือนกันแต่เป็นอนิยตะโพธิสัตว์เป็นพระโพธิสัตว์ที่ไม่แน่นอนแต่พอได้รับพุทธภยากรว่าชายผู้นี้นะฤาษีผู้นี้ดาวบทผู้นี้อีกสีอสงไขยแสนกับจะได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เขาเรียกว่าได้รับลับทธพยากรคือได้รับทำนายจากพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอีกเสียสงไขเศษออกแสนกัดจะได้เป็นพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าในระหว่างระยะเวลาเท่านี้ก็เป็นเวลาที่ทรงบำเพญ็ญบารมีเพียรพยายามในการสั่งสมกุศลธรรมทุกอย่างไม่เกี่ยงในการเจริญกุศลน่านทานเนี่ยก็บอกว่าให้มากมายมหาศาล วัตถุข้าวของข้างนอกก็ให้มากมายวัตถุข้างในก็ให้อันทานบารมีของพระ อ, องค์เนี่ยก็บอกว่าให้ได้แม้กระทั่งชีวิตไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นก็บอกว่าเดินออกจากราชสมบัติไปบวชเฉยๆก็ได้คือสามารถสลักได้ขนาดนั้นอันบารมีที่พระองค์ทรงสังสมตลอดระยะเวลาอันยาวนานนี้ก็เพื่อสัมมาสัมโพธิญาณแต่ผู้ที่จะมีสัมมาสัมโพธิญาณ น, นั้นจะต้องมี รูปร่างกายที่ทรงไว้ด้วยคุณอันนั้นความที่พระองค์ตรัสรู้นั้นก็คือนามขันนั่นแหละถ้าโดยประมัดนะ่ะก็คือนามขันสี่นั่นแหละคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ว่าจะเป็นสัพพัญยุตยานก็คือปัญญาเจตสิกก็คือสังขารขันที่เกิดขึ้นแต่ขันเหล่านี้ก็ต้องอาศัยรูปร่างกายที่ที่สมส่วนว่างั้นเถอะที่เหมาะสม ที่จะเป็นศาสดาเอกของโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมูสัตว์มันก็ต้องมีร่างกายที่ที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นทั้งร่างกายทั้งจิตใจของพระองค์นี้ได้รับการอ บ, บรมขัดเกลาเสริมเติมแต่งใช้เวลาเวลามายาวนานอันเราก็ได้มาฟังดูว่าออลักษณะแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็มาจากปัจจัยมาจากเหตุกรรมชรูปเหล่านั้นเนี่ยมาจากกรรมชนิดใด อย่างเช่นวันนี้นะเขากล่าวถึงต่อไปว่าดูก่อนพี่สูทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในกำเนิดก่อนเป็นผู้ตั้งใจสอนศิลปะวิชาจรณนะหรือกรรมโดยความตั้งใจว่าทำอย่างไรชนทั้งหลายนี้พึงรู้เร็วพึงสำเร็จเร็วไม่พึงลำบากนานเวลาพระ อ, องค์สอนศิลปะศิลปะก็คือ ความรู้ความสามารถที่ไม่มีโทษเช่นพระองค์ก็เคยเป็นอาจารย์สอนดีดพินเหมือนกันก็สอนแต่เป็นศิลปะที่ไม่มีโทษก็สอนวิชาการทั่วไปสอนไตรเพศสอนอักษรศาสตร์สอนวิชาทำรถวิชาตั้งร้ายอย่างพระองค์ก็สอนแต่ความรู้เหล่านั้นเป็นวิชาที่ไม่มีโทษเวลาสอนพระองค์ก็ตั้งใจว่าเอ้ทายังไงลูกศิษย์ที่มาเรียนเนี่ยจะได้จบเร็วๆจะได้จบเร็วขึ้น ตั้งใจจะสอนวิชาความรู้ทั้งหลายสอนจรณะจรณะแปลว่าความประพฤติจรณะนั้นต้องนึกถึงพวกศีลเป็นต้นศีลห้าศีลสิบหรือว่าปาติโมกขสังวรศีลในชาติไหนที่พระองค์ได้บวชเป็นพระภิกษุอย่างในอดีตชาติหลายชาติพระองค์ก็เกิดทันาศาสนาของพระผู้มีพระภาคอย่างเช่นพระผู้มีพระภาคพระนามวัคษปะพระองค์ก็บวชเป็นพระภิกษุในผู้าศาสนาแล้วเป็นผู้ที่ทรงพระไตรปิฎก แล้วก็สั่งสอนประชาชนสั่งสอนพระภิกษุในจารณะคือศีลจตุปาริสุทธิศีลให้ภิกษุบริษัทเป็นต้นได้ศึกษาเล่าเรียนได้ประพฤติปฏิบัติทีนี้เวลาท่านสอนเนี่ยท่านก็จะค้นคิดสูตรทำยังไงคนจะเข้าใจง่ายที่สุดอ่ะให้เขาจบเร็วๆแทนที่บางอย่างจะสอนกันห้าปีจบท่านก็เอ๊ะทำยังไงจัปีหนึ่งจบอะไรเงี้ยก็คือพยายามที่จะลดที่สุดเพราะว่า ท่านตั้งใจว่าเออคนที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยมาคอยเรียนเนี่ยมันทุกข์บางคนถ้ายิ่งการเรียนแบบบางสมัยต้องนั่งพับเพียบเรียนอย่าเงี้ยนั่งพับเพียบเรียนเนี่ ย, ย, ย, นนยโอ้โหกว่าจะเรียนจบขาเนี่ยถ้าเป็นเน็บชาไม่รู้ยังไงมันก็คิดว่าโอ้การเป็นลูกศิษย์เป็นอันเทวาสิษก่อยรัางคอยเรียนเนี่ยมันเป็นภาระมันเป็นของหนักมันเป็นทุกข์นั้นทายังไงที่จะให้เขาจบเร็วๆพระองค์ก็ตั้งใจอ ย, อย่างนั้นสอนวิชาสอนศิลปะหรือแม้กระทั่งสอน กรร ม, มสักกายะเอ๊ะทำยังไงเขาจะเข้าใจเรื่องกรรมชัดขึ้นอะไรขึ้นตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำรรสังสม พ, พ่อภูนภัยบุญคือทํามามากตลอดระยะเวลาเสียสองขัยเนี่ยด้วยผลของกรรมมันนั้นก็ทําให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้ซึ่งมหาปริศลักษณะคือ มีพระชงเรียวดังแข้งเนื้อสายมีแข้งเรียวไม่รู้งามยังไงนึกภาพไม่ออกเลยเราเคยเห็นแต่คนไม่ไม่สมประกอบมาตลอดนะให้คนที่สมประกอบจริงๆจะงามขนาดไหนเนาะก็ได้แต่นั่งนี่ถ้าเจอพย ม, มานนีจะให้เนรพุทธเนรมิดเป็นรูปพระพุทธเจ้าให้ดูหน่อยเขาเคยเล่าในตำนานไงพย ม, มานเนรมิดก้มลงกราบพระมหาบุรุษนั้นสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรด เป็นลักษณะอย่างหนึ่งของผู้ที่จะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิถามว่าจะได้รับอ น, นิสงส์อะไรเป็นพิเศษอีกบ้างเมื่อเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแล้วอะ่ะเพราะกรรมอันนี้เนี่ยจะได้พาหนะคู่ควรแก่พระราชาซึ่งเป็นองค์เสนาแห่งพระราชาเป็นเครื่องราชูปโภคอันสมควรแก่พระราชาโดยพลันโดยเร็วคือเข้าของเครื่องใช้เนี่ยจะเกิดขึ้นแก่พระองค์อย่างรวดเร็วอย่าง น, นั้นด้วยกรรมประเภทนั้น ถ้าพระมหาบุรุษทรงออกผนวชจะได้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสเปิดแล้วในโลกถ้าเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อ น, นิสงส์พิเศษก็คือจะทรงได้ปัจจัยอันควรแก่สมณะและบริสัทอันเป็นองค์ของสมณะและเครื่องสมณูประโภคที่สมมณะทั้งหลายจะพึงบริโภคไม่ว่าจะเป็นกุติเสนาสนะ ยุกยารักษาโรคข้าของเครื่องใช้ต่างๆที่เหมาะสมแก่สมณะนั้นก็ควรแก่สมณะจะสําเร็จแก่พระองค์ได้โดยเร็วพลันพระองค์เนี่ยไม่ยากเลยแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี้ที่พร้อมสมบูรณ์หมดเรีวยว่าเป็นสมณะสุขุมาราชาติเขบอกว่าจีวอนเนี่ยไม่อยากใช้เนี่ยคนขอร้องให้ใช้ให้ที่พักเนี่ยคนต้องขอร้องจึงกันไปพรกเรีวยกว่าเป็นสมณะที่ละเอียดอ่อนสุขุมาราชาติ เรียกว่าจะไปไหนคนเชิญไปอ่ะได้รับเชิญไม่ใช่ขอไปเองไม่ใช่อนะเว้นไว้แต่พุทธกิจพิเศษต้องไปโปรดสงเคราะห์ใครคนใดคนหนึ่งอันนี้เนี่ยเาเรียกว่าไปเองแต่ถ้าโดยธรรมดาทั่วไปของผู้ที่ประสงค์บุญทั้งหลายแลก็จะเชื้อเชิญอาราธนาะจะให้พระองค์ได้โดยความเคารพพระมหาบุรุษทรงปรารภอยู่ว่าทำเชนไหนชนทั้งหลายจะพึงรู้แจ่มแจ้งเร็วในศิลปะ ในวิชาในจารณะในกรรมและก่อนบอกศิลปะที่เป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนใครๆด้วยความตั้งใจว่าผู้ศึกษาจะไม่ลำบากนานของเราเอ๊ะทำยังไงยมจะเข้าใจธรรมะเร็วๆหน่อยทำไงดียอมช่วยบอกหน่อยจะได้ทำบุญประเภทเร็วๆว่าเขาบัางแจกะ้ายบิดกให้ไปอ่านคนละเล่มเลยเร็วไหมเร็วขึ้นหรือเปล่าอย่างนี้ทำไงดีเนาะขั้นทากุศล ทำกุศลกรรมมีความสุขเป็นกำไรนั้นแล้วกุศลเนี่ยก็มีวิบากเป็นสุขกัะนเนาะย่อมได้พระชงทั้งคู่เป็นที่ชอบใจมีสวดทรงดีกลมกล่อมเป็นสุชาติเรียวไปโดยลำดับมีพระโลมาขึ้นปลายช้อยขึ้นข้างบนในแข่งนี้ก็ยังมีเส้นขนเนี่ยชอยขึ้นชอยขึ้นมีหนังอันละเอียดหุ้มห่อแล้ว บันดิทั้งหลายชมพระมหาบุรุษนั้นว่าพระองค์มีพระชงดุดแข้งเนื้อทรายและชมพระลักษณะและพระโลมาเส้นหนึ่ ง, งอันประกอบด้วยสมบัติที่ใครๆปรารถนารวมกันเข้าไว้ในที่นี้ทุกคนต้องการนี่แหละแต่ว่าไอความสมบูรณ์ที่ทุกคนต้องการเนี่ยมารวบรวมอยู่ที่พระพุทธเจ้าทั้งหมดพระมหาบุรุษเมื่อยังไม่ทรงผนวดก็ได้ลักษณะนั้นในที่นี้เร็วพลัน ข้าวของเครื่องใช้ทั่วไปถ้าหาว่าคนต้องการที่หน้าต้องการของคนทั้งหลายจะได้แก่พระมหาบรุษนี้ไม่ยากนะักถ้าออกทรงพนุษทรงยินดีด้วยความพอพระทยในเนคขมมะในการออกจากกามมีพระปรีชาเห็นแจ้งทรงพระวิริยะยอดเยี่ยมวิริยะก็คือความเพียรความองอาจความกล้ากล้าในทีนี้ต้องนึกถึงอะไรกล้าทาอะไร กล้าที่จะละบาปละกุศลกล้าที่จะเจริญกุศลพอกพูนเรื่อยๆกล้าที่จะไม่ปล่อยขณะให้มันล่วงเลยไปโดยที่ไม่เกิดประโยชน์กล้าที่เอ๊ได้ยินเสียงทําำไงกุศลจิตจริงจะเกิดได้ยังไงก็ต้องได้ยินอยู่แล้วใช่ไหมเออทายังไงกุศลจิตจะเกิดขึ้นในขณะที่ได้ยินนั่งเห็นอยู่อะทําเออก็เห็นอยู่แล้วอ่ะทํายังไงกุศลจิตจริงจะเกิดขึ้นนะเพียรพยายามอ่าต้องใช้ความเพียรเอ า, เอ า, เอาขอให้เกิดเองไม่ไม่เกิดแน่รอฟลุกไม่มีทาง มันต้องพ่อพูนอ บ, บรมเจริญอย่างเดียวอทำยังไงกุศลจึงจะเกิดขึ้นทำยังไงอกุศลที่มีเนี่ยจึงจะลดลงไ ป, เ, ปเหมือนแวกออกแวกออกจากกองบาปกองอกุศลเคยได้ยินนักตันหาชาลังตันหาเหมือนกับขายเหมือนกับเป็นตะแกรงที่มันโห้มาติดขายไว้หมดเลยได้ทำยังไงจะแวกพวกนี้ออกเข้าเห็นความจริงอวิชชานี้ปกปิดหุห้มห่อให้มองไม่เห็นอริยสัจ ท, ทำยังไงจึงจะมองเห็นความจริงเหล่านี้ได้ อันพระองค์นี่มีความเพียรพยายามเหล่านี้ถ้าหากว่าเกิดไม่ไม่มีความเพียรเช่นงอยซึมเซ่ออะไรอย่างเงี้ยพระองค์ก็มีวิธีทํายังไงจริงจะกระตุ้นให้มันเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดทํายังไงกุศลจิตจริงจะได้เกิดได้อย่างต่อเนื่องก็มีวิธีพิจารณาอย่างมากมายอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นพระภิกษุเนี่ยเอ๋ทาไมกุศลจิตไม่ค่อยเกิดเลยช่วงนี้นะซึมซึมอยู่ไปวันๆหนึ่ง องค์ก็บอกว่าผู้ที่จะมีความเพียรปัจจัยท่อหนึ่งที่จะทําให้เกิดความเพียรก็คือเคารพในบิณฑบัตอ่าคําว่าเคารพในบินฑบาตก็คือทําให้นึกว่าเอ๊ะชาวบ้านที่เขาทําบุญใส่บาตรให้เราฉันเนี่ยเขาหวังอย่างอื่นไหมหวังเออท่านจะไปช่วยทํากสิกรรมโครั ก, กรรมพาณิชกรรมช่วยทายําไรถ่ายนาคาขายไม่มีสักอย่างช่วยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็ไม่มีแต่แล้วเราก็ไม่ใช่โลกไม่ใช่หลานเขาก็ไม่ในหวังประโยชน์อย่างอื่นเขาหวังเพราะ เข้ากระสงบุญเออแล้วเราเนี่ยมีบุญอะไรให้เขาบ้างเขาบอกว่าทานที่ให้กับพิสูจหรือให้กับคนที่มากไปด้วยกามมวิตตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเป็นทานที่ไม่มีผลมากไม่มีนิสงมากเออถ้าเราปล่อยจิตให้ไปเป็นไปอย่างนั้นแล้วนี่เขาจะได้บุญไหมเนี่ยเพราะะฉนั้นก็จะทําให้กระตุ้นเตือนที่จะคิดในการเจริญกุศลบ่อยๆเพราะฉะนั้นความเพียรพยายามนี่จะต้องปารกบ่อยๆเรียกว่าหาเหตุ ที่เป็นปัจจัยให้สลดสังเวทใจสามารถที่จะค้นคิดเอาอะไรมาเป็นเครื่องสังเวทได้บ้างเพราะว่าการสังเวทเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดความเพียรทําให้เกิดสติปัญญาทําให้กุศลจิตเนี่ยเป็นไปได้ง่ายอนนันสังเวทใจก็คือประเภทโอตปะปาดทาให้อยู่เฉยเฉยไม่ได้ต้องเพียรพยายามที่จะให้กุศลจิตเกิดขึ้นอย่างเช่นสังเวทกับวัตถุอย่างหนึ่งก็คือความตายใช่ไหมเออนี่จะตายแล้วเนี่ย มี่จะจะทำกุศลอะไรได้บ้างไงครับพมันก็ต้องตื่นตัวขึ้นมาทันทีเลยนะอันถ้าคนที่สามารถทำจิตให้ตัวเองเนี่ยตื่นตัวได้ตลอดในการคิดเพื่อที่จะทำกุศลแต่ละอย่างแต่ละอย่างได้เนี่ยคนนั้นก็นับว่าเก่งมากอันคนนั้นจะเริ่มเรียกว่าปรับอินรีจะเริ่มว่าโอ้ช่วงนี้ความเพียรขาดไปเอช่วงนี้เจริญกุศลแต่ทำไมมันแห้งแรงเหลือเกินฝืดเคืองไม่มีปีติไม่มีความชุ่มฉ่ำใจเลยก็จะ ปาโระเออต้องไปศึกษากุศลประเภทนี้บ่อยๆนะคิดถึงพุทธคุณเยอะๆเดี๋ยวจิตใจก็ชุ่มเชื้นขึ้นมาในการเจริญกุศลก็คือศึกษาวิธีการเจริญกุศลตั้งมากมายพระผู้มีพระภาคนั้นสอนกรรมฐานแก่พระราหุลตั้งหลายอย่างสอนให้เจริญเมตตาเพื่อละโทสะสอนให้เจริญอานาปานาสติเพื่อตักวิตกสอนให้เจริญมรณ า, านุสติสอนให้เจริญจิตเหมือนกับแผ่นดินให้ทําใจเหมือนกับแผ่นดินเหมือนนา้าเหมือนลมเหมือนไฟ ก็จะได้ละอัสมิมาณะล ะ, ะไรพระองค์ก็สอกนกรรมาฐานนั่งเยอะแยะเพื่อที่จะเป็นอุบายเครื่องมือในการปรับจิตเพราะจิตของเราจะให้ขิดเรื่องเดียวได้ตลอดเป็นไปได้ไหมมันก็ไม่ได้ก็เหมือนอาหารเนี่ยถึงมีประโยชน์นะสิ่งที่เราทานได้ตลอดเลยก็คือเม็ดข้าวแต่กลับเนี่ยทุกวันดูดิได้ตลอดไหมล่ะมันเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อยนั่นแหละแต่ข้าวนี่ไม่ค่อยเปลี่ยนเท่านั้นแหละแต่กับเนี่ยเปลี่ยนสภาพจิตเนี่ยนะ จิตไม่เปลี่ยนจิตมันก็เป็นลนักษณะกุศลมันก็เป็นอย่างนั้นแหละจิตอ่ะแต่เจตสิกเนี่ยเจตสิกแต่ละตัวเนี่น้ําหนักไม่เท่ากันนะจริงอยู่ในโสภณะสาธารณะเจตสิกเกิดพร้อมกันทั้งหมดทั้งสิบเก้าดวงจริงแต่บางครั้งหนักไปด้วยสัพทาสัพพินรียมีกําลังมากบางครั้งกุศลจิตอันนั้นเนี่ยเฮเรโอตาปามีกําลังมากบางครั้ง สติมีกําลังมากบางครั้งอะโลภามีกําลังมากบางครั้งอโทสมมีกําลังมากบางครั้งตัทระมัชตตามีกําลังมากบางครั้งไอ้พวกยุคโคลรทำเนี่ยเกิดมากมีกําลังมากั้แต่ละขณะไม่เหมือนกันนะกุศลจิตกุศลโดยศัพท์เนี่ยเหมือนกันแต่น้ําหนักของกุศลจิตนี่ไม่เท่ากันบางครั้งเนี่ยเจตสิกในอัญญสัมนาเจตสิกเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวทนามีกําลังมากเช่นโสมนัตเวทนามันเกิดมาก ในกุศลนั้น น, น, นี่ยแตกต่างกันมากความต่างกันอันนี้เขาเรียกว่าธาตุมันต่างกันเจตสิกเป็นธาตุไหมเป็นธาตุอะไรเป็นธรรมธาตุอันธาตุเหล่านี้มีความแตกต่างกันอยู่ในตัวจนกว่าจะปรับ พ, พ่อภูมกุศลเนี้ยอันคนที่กุศลจิตเกิดได้บ่อยๆจึงจะเริ่มปรับตัวของกุศลจิตเองจนปรับตัวจนถึงกับว่าสามารถที่จะมองเห็นอริยสัจได้ถ้าคนทีอ่อยู่ที่วัดเมื่อก่อน ถ้าเนรหลายองค์เขาดูหนังสือนะบางทีก็ไม่ค่อยรู้หลักการใช้สายตาอะไรเงี้ยนะอา่านหนังสือไปเดี๋ยวก็ตาเอียงบางตาเข้มับางจะ ม, มีปัญหาเรื่องสายตาแว่นนั่นแหละกว่าจะเข้ากับตาอา่านหนังสือได้โดยที่ไม่เมื่อยไม่ลานี่ก็ไม่ใช่ของง่ายๆเหมือนกันนะไม่เลยเนี่ยบางคนเนี่ยกว่าจะใช้แว่นตาเป็นเนี่ยอา่านหนังสือได้อย่างสบายๆเนี่ยไม่ใช่ของง่ายเหมือนกันนะแค่แว่นตาธรรมดากุศอจิตก็เหมือนกันที่จะไปพิจารณาธรรมะเนี่ยนะก็เหมือนกับแว่นตานั่นแหละต้องมีการปรับตัวพอสมควร แล้วก็มีการปรับตัวใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาหาเหตุหาปัจจัยที่จะให้กุศลจิตเกิดขึ้นอั้นปัจจัยที่ทําให้กุศลจิตเกิดขึ้นประเภทนี้เรียกว่าสปายะประเภทสปายะนี้จะเข้ามาและเช่นอาศัยสถานที่ก็ช่วยให้กุศลจิตเราเกิดต่อเนื่องขึ้นการอาศัยสถานที่อาศัยบุคคลอาศัยอาหารอาศัยถ้อยคําเจรจาอาศัยหลายอย่างปัจจัยของกุศลจิตอุปนิสัยตัางเยอะ ทีนี้ต่อไปนะว่าดูกรที่สูตรทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในกัมเนิดก่อนได้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วซักถามว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญกรรมส่วนกุศลเป็นอย่างไรกรรมที่อยู่ในฝกใักายแห่งกุศลเนี่ยเป็นอย่างไรกรรมมีกี่อย่างนะต้องนึกถึงกายกายกรรมเนาะ วจีกรรมและมนโนกรรมอกายกรรมที่เป allora. ็นกุศลเนี <hold> <Yes>, so ่ยเป็นอย่างไรกายกรรมที่เป็นกุศลก็คือกายกรรมที่ไม่เป็นไปกับการฆ่าสัตว์ทีนี้ไอ้คาว่ากรรมได้แก่อะไรองคธรรมได้แก่อะไรเจตนาอ่าเมื่อเป็นกายกรรมนั้นก็คือเจตนาที่เป็นไปทางกายเจตนาที่เป็นไปทางกายที่เป็นกุศลมีกี่ดวงมีกี่ดวงไหมีแปดดวงก็คือมหากุศลจิตแปดนั่นแหละที่เป็นกายกรรมที่เป็นไปกับ กุศลกุศลที่เป็นไปทางกายอ่าในแปดดวงนั้นทานทานกุศลเป็นทางกายได้ไหมล่วงมาทางกายยัทวาลก็ได้เรียกว่ากายกรรมศีละกุศลเป็นทางกายได้ไหมได้ภาวนาเป็นทางกายได้ไหมก็ได้อันก็ศึกษาเรื่องว่าเออกุศลทางกายนี่เป็นยังไงนั่งยังไงแล้วใจเป็นกุศลน่ะ <drank proposals> ยืนยังไงแล้วใจเป็นกุศลเดินยังไงใจเป็นกุศลนอนยังไงใจเป็นกุศลอันนี้ควศึกษานักกายกรรม แล้ววจีกรรมอ่ะวจีกรรมที่เป็นกุศลมีกี่ดวงก็มาหากุศลแปดอีกนั่นแหละพูดอยู่แล้วนะเอ๊ะพูดยังไงพูดจริงจะจิตเป็นกุศลเจตนาที่ทําให้เกิดการพูดพวกเรามียี่สิบดวงแต่ที่เป็นกุศลมีแค่แปดดวงอ่ที่เป็นมหากุศลเกิดขึ้นในขณะที่พูดอ่ะเป็นยังไงต้อง น, นึกถึงตอนที่เรียนก่อนต้นๆเนอใช่ไหมพูดยังไงจึงจะเป็นไปกับทาน พูดอย่างไรจึงจะเป็นไปกับศีลพูดอย่างไรจึงจะเป็นไปกับภาวนาเออในพูดเป็นศีลเนี่ยเป็นคําพูดที่เว้นจากพูดเท็จเว้นจากพูดส่อเสียดเว้นจากพูดเพอเจอเว้นจากพูดคำหยาบคายนั้นต้องพูดไพเราะเหมาะแก่การประสานประโยชน์ประกอบไปด้วยเมตตาเป็นต้นอันนั้นเป็นเจตนาที่เกิดขึ้นในขณะที่ใช้คําพูดที่เป็นกุศลนี่เป็น วจีกรรมพูดยังไงเป็นทานพูดยังไงเป็นศีลพูดอย่างไรเป็นภาวนาใครอยากพูดเป็นภาวนามัางเอาพระไตรปิฎกไปอ่านเสียงดังๆนั่นแหละคำพูดเป็นไปกับภาวนาเพราะว่าฟังธรรมแสดงธรรมเป็นประเภทกุศลประเภทเภททาวนาใช่ไหมมาอ่านนี่เป็นภาวนานล้วเนี่ยได้บุญประเภทภาวนาเอาเฉพาะขณะที่จิตเป็นกุศลนะต่ออ่านอยู่เหมือนเดิมแหละแต่โทสะเกิดเนี่นก็ไม่ใช่กุศลอีกนั่นแหละ พูดเหมือนเดิมนั่นแหละถ้าจิตไม่เป็นไปกับกุศลก็ไม่ใช่อีกการสังเกตกุศลก็ต้องกุศลเนี่ยจะมีความเบาความอ่อนความคล่องแล้วกุศลนี้จะเกิดร่วมกับเวทนาได้สองอย่างคืออุเบกขากับโสมนัสหลังจะต้องเป็นคนที่สังเกตสังเกตสภาพจิตมากเลยนะเมื่อไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆเกี่ยวข้องกับอารมณ์นั้นๆเนี่ยต้องเป็นคนที่สังเกตความคิดบ่อย คนที่สังเกตความคิดบ่อยๆจนรู้เหตุรู้ปัจจัยของความคิดมากๆประเภทนี้เรียกว่าเจริญใช้จิตนะบางทีใช้จิตก็คือประเภทจิตานุปัสสนาถ้าเกี่ยวข้องกับอารมณ์ต่างๆแล้วสังเกตความรู้สึกมากๆประเภทเจริญเวทนานุปัสสนาต้อสังเกตรจริงๆเลยนะจับพิจารณาแยกแยะถ้าเป็นของของพระที่ท่านเจริญกุศลบ่อยๆจนท่านสังเกตได้เลยว่า เมื่อวานกับวันนี้ไหนกุศลเจริญกว่าในขณะแต่ละขณะนี่ขณะไหนกุศลเจริญขณะไหนไม่เจริญจนแยกแยะได้อ่ะจนแยกแยะได้ตลอดเลยในแต่ละอารมณ์เพราะในสัพเพเสวิตตพสูตรเนี่ยเป็นสูตรที่ท่านให้แยกอารมณ์เลยว่าอารมณ์ไหนเห็นแล้วสีอะไรควรเจริญเห็นแล้วกุศลเจริญไหมเออถ้าไม่ควรเจริญอย่าไปเห็นมันฟังแล้วกุศลเจริญไหมถ้าฟังแล้วกุศลไม่เจริญอย่าไปฟังมันท่านสอนหมดเลยในในสูตรนี้ เพาะท่านเป็นคนที่แยกแยะความรู้สึกนึกคิดคอยสอบทานเทียบเคียงอยู่ตลอดเวลาการพิจารณาเทียบเคียงลักษณะนี้บ่อยๆก็จะเหมือนกับพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคโอวาดกับท่านพระราหุลใช่ไหมโอวาดกับพระราหุลให้ตรวจตรวจสอบกายกรรมตรวจสอบวจีกรรมตรวจสอบมโนกรรมให้ตลอดเลยเพราะฉะนั้นคนที่ตรวจสอบตัวเองมากนั้นเราไม่ต้องไป ให้คนอื่นมาคอยตรวจสอบไปทําอะไรมาบ้างวนันนี้แต่เราต้องตรวจสอบตัวเราเองตลอดดงนั้นการตรวจสอบกายกรรมวจีกรรมอย่างนี้เป็นเรียกว่าชําระกายชําระวาจาเป็นศีลใช่ไหมดงั้นคนที่ชําระกายวาจาได้โอ้กายเราไม่มีโทษคําพูดเราไม่มีโทษคนประเภทนั้นแหละเรียกคนศีลดีแล้วละแล้นึกหาไม่มีข้อตําหนิเลยนะไปพูดให้คนไม่สบายใจแหมือนตําหนิไม่น่าพูดแบบนั้นเลยอคนที่ฉลาด ใช้คําจนตัวเองไม่เดือดร้อนใจพฤติกรรมจนตัวเองไม่เดือดร้อนใจคนนั้นแหละเป็นคนที่มีศีลดีแล้วล่ะแต่ถ้าหากว่าพฤติกรรมที่นึกแล้วยังกินแหนงตัวเองเลยนะอันนั้นเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ไม่มีผลมากไม่มีอ น, นิสงส์มากเอ้อยู่กับพ่อเราควรทําอย่างเงี้ยกลับไม่ทําอย่างเงี้ยอันนี้นี่ก็กินแหนงอย่างนึ่งทั้นคําว่าศีนเนี่ยกายกรรมนี้ไม่ได้หมายถึงว่านั่งอยู่เฉยๆแล้วเป็นศีน อันเรื่องของศีลที่พระองค์ทรงสแสดงนั่นแหะเออถ้าอยู่กับครูอาจารย์ต้องปฏิบัติตัวยังไงกายกรรมเราควรจะเป็นยังไงอยู่กับพ่อแม่เราควรมีกายกรรมอย่างไรอยู่กับเพื่อนมีกายกรรมอย่างไรอยู่กับน้องมีกายกรรมวจีกรรมอย่างไรอยู่กับคนใช้อยู่กับที่ทํางานอยู่กับแต่ละแห่งแต่ละแห่งเนี่ยธรรมะในชั้นศีลเนี่ยจริงๆเนี่ยพระองค์สอนไว้สอนไว้หมดเลยสอนไว้ตลอดเลยเนะว่าเราต้องมีพฤติกรรมแบบนี้นะอย่างพระเนี่ยสมมติพระนะ ถ้าอยู่กับพระด้วยกันเนี่ยถ้าจะทำเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างเดินนําหน้าเราสามารถเดินนําหน้าใครได้บ้างสมควรไหมหรือว่าที่นั่งควรนั่งตรงไหนถ้าจะพูดเนี่ยควรพูดอะไรถ้าจะพูดต้องขออนุญาตคนนั้นก่อนต้องพูดต้องขออนุญาตคนนี้ก่อนถ้าจะพูดต้องพูดเรื่องนี้เขามีวินัยเข้าไปรับรองหมดพวกนี้แหละเป็นการชําระวจีกรรมชําระกายกรรมเพราะว่าพราะผู้มีพระภาคทรงสแสดงว่าหมูสัตว์นี่ปกติคด ไม่ตรงเรียกว่ากายะทุจริตวจีทุจริตมีมากอันธรรมวินัยของพระองค์เนี่ยเพื่อดัดความคดอันนั้นชำระกายกรรมและวจีกรรมเพราะฉะนั้นศีนเนี่ยจึงมีความสะอาดเป็นอาการปรากฏมีฮิริโอตปะเป็นเหตุใกล้ให้ให้กุศลศีนเกิดขึ้นอันคนที่จะมีพฤติกรรมวจีกรรมที่ดีมากนั้นคนนั้นต้องเป็นผู้ที่มีฮิริโอตปะ ท่านก็ต้องเข้าไปถามพวกอย่างนี้เนี่ยจะรู้ได้ก็ต้องอาศัยการการถามนะเข้าไปถามมาท่านผู้เจริญกรรมส่วนกุศลเป็นอย่างไรกรรมส่วนอกุศลเป็นอย่างไรกรรมส่วนที่มีโทษเป็นอย่างไรกรรมที่ไม่มีโทษเป็นอย่างไรส่วนกรรมที่ควรเสพเนี่ยเป็นอย่างไรกรรมที่ไม่ควรเสพเนี่ยเป็นอย่างไรควรภาวนาควรปฏิบัติควร พ, อพ่อควรอะไรควรไม่ควรกรรมอะไรที่ข้าพเจ้าทําอยู่พึงเป็นไปเพื่อ ไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกตลอดกาลนานทำอะไรที่เป็นไปไม่ได้ประโยชน์ชาตินี้ไม่ได้ประโยชน์ชาติหน้าไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานหรือกรรมอะไรที่ข้าพเจ้าทําอยู่พึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อสุขตลอดกาลนานเป็นไปเพื่อประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นเป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ที่จริงแล้วมีเยอะ ตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทาสังสมพอกพูนภัยบูนคือเข้าไปสอบถามนี่แหละคือไม่ใช่แค่ถามเฉยๆนะถามแล้วเอาไปปฏิบัติจริงๆนะไม่ใช่โอ้ยอยากจะได้เหตุอย่างนี้เลยไปถามๆสักหน่อยนะไม่ใช่แบบนั้นนะคือต้องเรียกว่าถามเพื่อมุ่งผลในการลักษณะเอาไปใช้เอาไปประพฤติปฏิบัต ครั้นจุติจากสวรรค์แล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้พระมหาปริศลักษณะคือมีพระเฉวีคือผิวเนี่ยสุขุมละเอียดเออถามถามเยอะๆเนี่เป็นเหตุให้ผิวดีนะไม่เคยคิดแต่เออนี่ก็เป็นเหตุแ ห, ห่งกรรมกันนะแต่ต้องถามว่าอะไรเป็นกุศลอกุศล น, นะไม่ใช่ว่าถามเรื่อยะอยากได้ผิวอย่างนี้ก็เลยถามใหญ่เลยนะจนใครมีใครตอบให้อลไรก็แย่เหมือนกัน โทาถามแล้วเขาไม่ตอบถ้าโทสะเกิดเนี่ยผิวไม่งามเลยนะครนี้เพราะฉะนั้นทำให้พระองค์นี้มีพระชวีเนี่ยสุขุมละเอียดเพราะพระชวีสุขุมละเอียดทุลีละองมิติดพระวรกายได้ผิวดีพระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยพระษณะนั้นถ้าครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิคือเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิผู้ที่มีลักษณะอย่างนี้จะได้อ น, นิสงส์พิเศษ คือมีปัญญามากไม่มีบัรดาการมโพคีคือชนผู้บริโภคการผู้ใดผู้หนึ่งมีปัญญาเสมอแปลว่าในแผ่นดินนั้นท่านฉลาดที่สุดฉลาดกว่าคนทั้งแผ่นดินอย่างนั้นเนี่ยมีปัญญาประเสริฐกว่าพระองค์ฉลาดหมดเลยถ้าทรงออกพนวดจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกอ่าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อ น, นี้สองพิเศษยังไงอีก เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือมีพระปรีชาเมตต์ปัญญานิมากมีพระปรีชาในกว้างขวางปัญญากว้างกว้างเหมือนอะไรบอกเหมือนแผ่นดิน่ะมีปัญญาทําลายกิเลสมีปัญญาร่าเริงมีพระปัญญาว่องไวมีพระปัญญาเฉียบแหลมมีพระปัญญาทําลายกิเลสไม่มีสรรพสัตว์ผู้หนึ่งผู้ใดมีปัญญา เสมอพระองค์หรือจะมีสัตว์ที่ประเสริฐกว่าพระองค์นี้เรามาลองฟังดูเกี่ยวกับเรื่องปัญญาว่าออพระผู้มีพระภาคของเรานี่มีปัญญาอย่างไรบ้างที่บอกว่าผลที่จะได้รับนะทําให้พระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีปัญญามากก็คือพวกมหาปัญญามหาปัญญาเละมหานี่แปลว่าใหญ่คือคนที่มีปัญญาใหญ่มากปัญญาเยอะมากเหมือนกันแท ถามว่าปัญญามากนี้เป็นไนตรงนี้ข้อความในอันธกถาท่านได้คัดเอาข้อความนี้มาจากคัมภีร์ปฏิสัมพิธามักมาคัมภีร์ปฏิสัมพิธามักในหมวดว่าด้วยปัญญาก็กล่าวถึงปัญญาเหล่านี้การที่เอาปัญญาเหล่านี้มากล่าวเพื่อให้เห็นชัดขึ้นว่าพระผู้มีพระภาคนั้นทรงมีพระปัญญาอย่างไรมหาปัญญาก็คือบุคคลย่อมกาหนดศีละขันอันมีคุณมาก ก็คือขันตัวนี้เนี่ยแปลว่าแล้ว่ากองเหมือนนเลยศีละขันที่มีคุณมากเพราะฉะนั้นศีลละขันที่เป็นคุณนั้นศีลเนี่ยเกิดร่วมกับจิตได้กี่ดวงต้องถามก่อนว่าศีลคืออะไรศีลคืออะไรก่อนหนึ่งเจตนาศีลสองเจตสิกศีลสามสังวรศีลสี่อวีติกรมาศีลเรียนไม่นานแล้วเนะ เคยฟังครั้งหนึ่งแล้วล่ะเอาทบทวนอีกนะเจตนาศีนได้แก่เจตนาของบุคคลผู้งดเว้นจากปานาติบาตเป็นต้นเจตนาของผู้ตั้งใจงดเว้นจากปานาติบาตเป็นต้นและเจตนาของบุคคลผู้ตั้งใจปฏิบัติมีอาจาริยวัดเป็นต้นเรียกว่าเจตนาศีนคล้ายๆว่าเคยได้ยินนะศีนมีสองอย่างคือ เว้นกับปฏิบัติอันเจตนาของบุคคลผู้เว้นจากกายทุจริตวจีทุจริตและเจตนาของบุคคลผู้ตั้งใจบำเพ็ญกายทุจริตกายทุจริตก็คือการกายกรรมเนี่ยถ้าเป็นพระเนเนเนี่ยก็ประพฤติวัดในครัวอาจารย์เป็นต้นหรือถ้าเป็นลูกก็ทำไงดีรับแม่มาฟังทำอย่างนี้ได้ไม่ม ไ, ได้นะเออได้แล้วอาจารย์ก็บอกได้น <laughs> ้องได้แล้วเนาะ ก็คือตั้งใจปฏิบัติบิดามารดาเป็นต้นนั่นแหลเป็นเจตนาศีล น, นะเจตนาของผู้ตั้งใจทํานะไม่ใช่สักแต่ว่าทําสักแต่ว่าก็อุษณอาจจะสักแต่ว่าให้ผลเหมือนกันนะให้แบบทิ้งๆคว่งงางๆทีนี้ต่อไปนะเจตสิกศีลเจตสิกศีลเนี่ยมีอยู่สองอย่างด้วยกันเจตสิกศีลคือวีรตีศีลกับมโนสุจเรศสาม วิระตีสามได้แก่สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะอันนี้ก็เป็นเจตสิกสิลเจตสิกศีลแล้วเจตสิกสินอีกสามอย่างก็คืออนัพิชาอัพยาปาทะและสัมมาทิฏฐิสามตัวนี้ก็เป็นเจตสิกสินแต่ให้อีกอะไรศีนคือสังวรศีนสันสงวรมีกี่อย่างคะสังวรห้าอย่าง หนึ่งปฏติโมคะสังวรสองอินทรียสังวรหรือที่เรียกว่าสติสังวรสามยาณสังวรขันติสังวรวิริยะสังวร น, นะสังวรห้านี่ก็เป็นศีลอวีติกรมะก็คือการไม่ล่วงละเมิดนะกุศลที่ตั้งสมาทานแล้วไม่ละเมิดอะ่ะอันนั้นก็เป็นอวีติกรมะศีล น, นี่คือศีลศีลเหล่านี้เนี่ย เป็นโลกิยะก็มีใช่ไหมเป็นโลกุตะก็มีเป็นโลกุตระก็มีวีรตีก็เกิดร่วมกับมัคจิตและผลจิตถ้าธรรมนาก็เกิดร่วมกับมหากุศลฟันพระองค์นี้เป็นผู้ที่มีปัญญากําหนดศีลเหล่านี้นี่คุณยังไงอ่ะนะเครียกว่าวิจัยเรื่องศีลได้อย่างละเอียดที่ดูนะพระองค์เนี่ยบัญญัติเรื่องศีลเป็นพระวินัยปิฎกสองหมื่นหนึ่งพันท ธรรมขันธ์และเขา ก, กาหนดศีลขันธ์นั้นตัวศีลเนี่ยถ้าพูดแบบทั่วไปแล้วก็คือจตุปริสุทธิศีลนั่นแหละปฏิโมกขสังวรอินทรีสังวรอาชีวะปริสุทธิศีลแล้วก็ปัจจะยะสานิสิตศีลมีปัญญากําหนดสมาธิขันธ์อันมีคุณมากกําหนดสมาธิขันธ์เนี่ยสมาธิขันธ์ก็คือกองแห่งสมาธิกองแห่งสมาธิก็ต้องไปดูว่าเออหนทาง วิธีการปฏิบัติสัมมาสมาธิเป็นอย่างไรก็ต้องนึกถึงเกษินสิบอสุภาสิตอนุสติสิบโอ้ไปสามสิบเลยเนาะสิบสามครั้งก็สามสิบและอะไรอีกจตุธาตุ ว, วัฏฐานอาหาเรปฏิกูลสัญญาพรห ม, มิหารสี่อรูปฌานสี่ประเภทนี้เรียกว่าสมถะรรมฐานเพราะสมาธิที่เป็นไปกับฌานสมาบัติ เหล่านี้เนี่ยเป็นโลกิยะและก็สมาธิที่เป็นโลกุตระสมาธิที่เป็นมัคคสมาธิและผลสมาธิด้วยอันพระองค์เนี่ยมีปัญญาที่จะกำหนดเรื่องราวเหล่านี้เปิดเผยแสดงสั่งสอนเรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างละเอียดละอถีท่วนตามเหมาะสมกับอัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายและพระองค์นั้นมีปัญญากำหนดปัญญาขัน ปัญญาขันก็คือกองแห่งปัญญาที่มีคุณมากดังนั้นปัญญาขันที่เราองค์ทรงแสดงก็คือปัญญานั้นต้องเป็นไปกับกบรรมสกตาปัญญาเป็นต้นไปปัญญาที่เป็นไปกับขันธาตุอยายตนะแล้วปัญญานั้นที่เป็นโลกิยะก็มีปัญญาที่เป็นโลกุตระก็มีปัญญาที่เป็นไปกับมรรคจิตผลจิตก็มีและวิมุติขันวิมุติขันก็คือมรรควิมุติผ ล, ผลนั่นแหละมรรคผลนิพพาน และวิมุตติญาณทัศน์ขันก็คือปัจเาาจเวขณะญาณปัจเจเวขณะญาณทั้งหมดมีเท่าไหร่สิบเก้ายี่สิบยอนหนึ่งยี่สิบย่อนหนึ่งก็คือสิบเก้าคือของพระโสดาบันมีห้าพระโสดาบันนั้นจะมีปัจเจเวขณะญาณหคือพิจารณากิเลสที่ละแล้วกิเลสที่ยังไม่ได้ละคือกิเลสที่ยังอยู่พิจารณามรรคพิจารณาผลและพิจารณานิพพาน พิจารณาห้าอย่างปจัจเวกแปลว่าพิจารณาญาณที่พิจารณาห้าอย่างนี้เรียกว่าปจัจเวกขนะญาณพระโสดาบันห้านะพระสกอาภาคามีอีกห้าพระอนาคามีอีกห้าพระอรหันต์อีกสี่พระอรหันต์นี้ไม่พิจารณากิเลสที่ยังเหลือเพราะท่านละได้หมดแล้วอันพิจารณากิเลสที่ละแล้วพิจารณามรรคพิจารณาผลและพิจารณานิพพานก็เลยเป็นสิบเก้าพระโสดาบันห้า สกาธาคามีห้าทนาคามีห้าผ้าหานสี่เป็นสิบเก้าทันพระองค์ก็มีวิมุติยานทัศนาขันที่เรณาทั้งของพระองค์เองด้วยนะพระองค์เนี่ยเก่งมากนะที่เรนาของคนอื่นด้วยรู้หมดแหละทันปัญญามากเพราะว่าพระองค์นี่กำหนดฐานะและอาถรณะกําหนดฐานะอาถรณะอย่างไรเช่นไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่บุคคลผู้เป็น ส ม, มาทิทิจะพึงเข้าถึงหรือว่ายึดถือสังขารใดๆโดยความเป็นของเที่ยงอันนี้ไม่ใช่ฐานะอันยานที่กำหนดฐานะทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนั่นแหละชื่อว่าฐานาฐานายานยานที่กำหนดฐานะฐานะแปลว่าเหตุหรือปัจจัยอธฐานะก็คือไม่ใช่เหตุไม่ใช่ปัจจัยนั่นเองอันญานที่สา ม, มารถรู้อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลและก็ยานที่กาหนดวิหารสมาบัติกาหนดวิหารสมาบัติ พระองค์นี้เป็นผู้ที่ปกตินะชีวิตประจําวันของพระองค์นั้นจะเข้าสมาบัติสองล้านสี่แสนโอ้โหเข้าได้เยอะแยะนะเร็วนะพระผู้เป็เจ้าจริงๆเข้าสมาบัติเร็วมากเลยนะสมมติถ้าหากว่าพระองค์ทรงแสดงธรรมอยู่นะแสะดงธรรมจบปุ๊บคนเตรียมจะสาทู่พระองค์เข้าพระสมาบัติปุ๊บเสร็จแล้วเข้าสาทู่จบออกจากพระสมาบัติสนทนาต่อองค์ไม่ได้อยู่ฟังอะ่ะ เร็วมากเลยนะความชํานาญของพระผู้มีพระภาคเพระองค์นี้เป็นธรรมราชามีความคล่องแคล่วในเรื่องของสมาบัติสมาธิในเรื่องของการแสดงยักย้ายยังไงจึงจะเหมาะสมเนี่ยพระองค์นี่รู้หมดเลยและอริยสัจอริยสัจนี้พระองค์สามารถมีปัญญากว้างขวางในการพิจารณาอริยสัจอริยสัจนี้ก็คือทุกข์สมุ ท, ทยัยนิโรธมรรคทุกข์เป็นฉนยัยทุกข์เป็นฉนยัยทุก ไม่แก่ชาติตุก์ชราทุกขพยาธิทุกข์มรณะทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมณัตอุปายาทุกทุกเกิดจากการพลาดจากของรักทุก์ที่เกิดจากประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักทุก์ที่เกิดจากความไม่สมปรารถนาพยาสนะคือญาติทั้งหลายเสียหายเป็นต้นนพวกนี้ก็เป็นทุกข์ ถ้าจะว่าทุกข์ให้มันเยอะไปมันก็เยอะอะทุกข์อ่ะจากขูโรโคโซตารโคทุกหมดแหละแผ่นนินไหวยังทุกเลยอันนั้นมีทุกข์อีกอย่างหนึ่งโดยย่อความทุกข์ทั้งหมดแล้วสรุปสรุปสังคีเตเนี่ยสังคิตต์แปลว่าย่อย่อแล้วก็คืออุปาทานฐานห้านั่นแหละเป็นตัวทุกข์หูได้ยินเสียงก็ทุกข์ทุกเพราะอะไรทุกเพราะทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้มีแล้วก็หมดไป เพราะฉะนั้นปัญญาที่สามารถอย่างถึงทุกข Ariasat สมุทัย Ariasat Nirod Ariasat และก็นิโรธคามินีปฏิปทา Ariasat ในเรื่องของอริย s ั t เนี่ยนะมันมีรายละเอียดมากแต่จะกล่าวต่อไปอีกในเรื่องของสติปฐานสติปฐานนั้นก็คือสติที่เป็นไปในกายสติที่เป็นไปในเวทนาในจิตในธรรมะตัวสติกับฐานของสตินีค่คนละอย่าง ฐานของสติได้แก่กายเวทนาจิตหรือธรรมะสติก็คือเป็นกุศลธรรมถ้าหากว่าเป็นของปุถุชนทั่วไปหรือของพระเสขะบุคคลแต่ถ้าของพระอรหันต์ก็เป็นหมากิริยาสติที่เป็นไปกับกิริยาฐานสติตัวนี้เนี่ยระลึกที่กายเวทนาจิตธรรมหรือที่ขันห้านั่นแหละอันองค์ประกอบของการเจริญสติประธานมีอะไรบ้าง อาตาปีสัมปชานุสติมาต้องมีสติองค์แห่งการละมีกี่อย่างยกตรงๆเลยก็สองอย่างคือละอภิชาและโทมนัตในโลกและต่อไปนะสัมมประทานสัมมประทานสี่สัมมประทานสี่ก็คือเพียรเพื่อละเพียรเพื่อระวังไม่ให้เป็นบาปเป็นอกุศลเพียรเพื่อเจริญกุศลแล้วก็เพียรพอกคูณกุศล ต, ต่อไปอีกและอิทธิบาทสี่นะฉันทะ วิรยิยะจิตตาและวิมังสาเชื่อนิคล่องเลยอิธิบาทเนี่ยเข้าใจยากที่สุดเลยในธรรมะที่ที่ที่ศึกษาศึกษาเนี่ยอธิบาทเนี่ยออ่านแล้วเข้าใจยากของธรรมะนะคนอื่นอาจจะมีบุญต่อไปพละพละมีห้าหนึ่งศัทาภละพละแปลว่าไม่หวั่นไหวความไม่หวั่นไหวคือศรัทธา สัทธาไม่หวั่นไหวในความไม่มีศรัทธาวิริยะพระวิริยะแปลว่าความเพียรวิริยะพระคือไม่หวั่นไหวต่อความเกียจคร้านสติพระไม่หวั่นไหวต่อความประมาทหรือไม่ตั้งมั่นสมาธิพระไม่หวั่นไหวต่อความฟุ้งซ่านปัญญาพระคือไม่หวั่นไหวต่ออวิชามันคาว่าพระแปลว่าไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวต่อปฏิปักษธรรม ปฏิบัติธรรมห้าอย่างนะคือหนึ่งความไม่มีศรัทธาสองความเกียดคร้านสามความไม่ตั้งมั่นสี่ความฟุ้งซ่านห้อาอวิชชาพละห้าตัวนี้เป็นตัวที่ไม่หวนไไวในธรรมห้าอย่างเหล่านั้นโคชงก็คือองค์คุณหรือองค์ธรรมะที่เป็นเหตุให้ตรัสรู้หรือบุคคลผู้ตรัสรู้นั้นจะต้องมีโคชง เป็นองค์ที่ทำให้บุคคล น, นั้นตรัสรู้ได้ถ้าไม่มีองค์เจตนี้บุคคล น, นั้นจะตรัสรู้ไม่ได้นะหรือธรรมะสามขีที่เป็นเหตุให้ตรัสรู้นั่นแหละเรียกว่าโพชชงมีอยู่เจ็ดอย่างโพชังโคสติสังฆาโตธรร ม, มานังวิจโยตธาหนึ่งสติสามโพชงสองธรรมะวิทยะสามโพดชงสาม วิริยะสามโพชงสี่ปิติสามโพชงห้าปัตติสามโพชงหกสมาธิสามโพชงเจ็ดอุเบกขาสามโพชงโอ้เก่งมากสาทุจำชื่อได้นี่ก็ได้ได้เยอะแล้วนะนั่นแหละนึกถึงคําว่าโพชงบ่อยๆก็เป็นธรรมานุสตินะเออนี่พระพุทธเจ้าท่านบรรลุโพชงนะท่านเป็นพระอาหารหันต์นี่ได้ข้อนึ่างไนระเป็นธรรมานุสติก็ได้เป็นพุทธานุสติก็ได้ ต่อไปอริยมรรคประกอบด้วยองแปดปัญญาที่กําหนดอริยมรรคมีองแปดอ่ะปัญญาอริยมรรคประกอบด้วยองแปดเกิดร่วมกับมรรคกี่ดวงอ่าสี่ดวงคือโสดาปฏิมรรคอย่างหนึ่งสกะทาคามิมรรคอย่างหนึ่งอนาคามีมรรคอย่างหนึ่งและก็อรหัตมรรคอย่างหนึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองคแปดนี่นะดับแรกก็มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนี้ฟังบ่อยแล้วทีนี้ต่อไปสามัญญผล อริยมรรต์สามัญญผลก็ได้แก่ผลจิตสี่อย่างผลจิตสี่ก็คือโสดาปฏิผลจิตสกทาคามีผลจิตอนาคามีผละจิตและอรหัตตผลลจิตสามัญญผลเป็นผลสามัญเป็นพรมัญญผลเป็นผลที่ที่สูงสุดสำหรับพระพุทธศาสนาคืออรหัตตผลผลอันนี้นี่ เขาบอกว่าภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาก็ยิ่มได้เลยต้องสมบูรณ์นะสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญากย็ยิมในอรหั ต, ตผลได้แต่ถ้ากระพองกระแพ่งก็ก็ทําให้มันบริบูรณ์ทนะ่ามันก็จะได้หวังหน้าใช่ไหมต่อไปอภิญญาอภิญยานี้เป็นชื่อของความรู้ยิ่งอภิญญามีหกอยาก่อางอภิญยาหกก็คือหนึ่งอินยาคือ แสดงฤทธิ์ได้อิทธิวิทะเนี่ยแสดงฤทธิ์ได้สองหูทิปอ่ะหูทิปก็เป็นอภิญยาอย่างหนึ่งเหมือนกันสามระลึกชาติได้สี่รู้วาระจิตรู้จุตูปปาตายานรู้สัตว์เกิดสั์ตายและอาสวะขยญ า, ยาทําอาสวะทําบาปทําอากุศลให้หมดไปนี่เรียกว่าภินยาความรู้ยิ่ง และนิพพานนิพพานนิพพานเนี่ยวันนี้วานะปราศจากตัณหาหรือว่าดับตัณหาได้โดยไม่มีเชื้องนั้นพระองค์มีมหาปัญญาที่กำหนดคุณทั้งหมดเหล่านี้ได้กำหนดศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะฐานะอาฐานะวิหารอริยสัจสติปทานสัมมาปทานอิธิบาทพระละโพชฌงค์อริยมรสมาญผลอภิญญาและ นิพพานอันมีคุณมากคนที่มีปัญญาแบบนี้แหละเรียกว่ามหาปัญญามหาปัญญาทีนี้มีคําว่าปุถุปัญญาอีกก็ได้ยินนะปุถุชนแปลว่าชนผู้หนาใช่ไหมอันนี้ถ้ามีปัญญาหนาจะเป็นอย่างไรเอมีปัญญาหนาเอาพระปุถุชนเนี่ยหนาด้วยกิเลส ต, ตัณหาอาสวะใช่ไหมหนาด้วยทุจริตกิเลส ต, ต่างๆมากมายแต่ถ้ามีปัญญาหนาจะเป็นยังไงเรียกปุถุปัญญา ปูธูปัญญาก็คือยานย่อมเป็นไปในขันต่างๆเนี่ยมากขันนี่มากไหมมากนะขันนี่ประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรูปอติตานาคตะปัจจุปนังอจตางวาปิทาวาลาริกังว า, า, ว า, า, ก า, วาสกุมังวาคือรูปทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกยาละเอียดเลวปนีด ไกลใกล้เยอะนะสิบเอ็ดข้อแล้วรูปมีเท่าไรสี่สิบแปดเหรอ <28 S 1> อ, อ๋อยี่บแปดนะฮะหูไม่ดีไดดล้แปดงว่าโสตินรีมีปัญหาแล้วงั้นเพราะฉะนั้นรูปมียี่สิบแปดในหนึ่งคนมีกี่รูปเ อ, อถ้าคนที่ไม่ถึงยี่บเจ็ดะว่าไงมีไหมคนมีรูปไม่ถึงย7ิบเจ็ดมีไหมมีไม่มีภาวะรรปก็ไม่ถึงย7ิบเจ็ดจากคูปะสาถ้าบอร์ดก็ลดลงไป หูหนวกก็ลดลงไปอีกค่ะหน้าประสาทเสียก็ลดลงไปอีก<ม>ก็ลดไปตามนั้น<ม>เพศไม่มีก็ลดไปตามนั้นอีกอันนี้เป็นรูปในรูปเหล่านี้แยกเป็นสมุดฐานอีกคนละอย่างเลยนะในรูปแต่ละสมุดฐานมาจําแนกเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอีกเพราะฉะนั้นเรื่องมากจริงๆเลยเพราะฉะนั้นปัญญาจึงต้องหนาหน่อยที่จะต้องรู้เรื่องนี้นะปัญญาหนาต่อไปนะ ย่อมเป็นไปในธาตุต่างๆมากปัญญาต้องหนาจะต้องรู้ธาตุต่างๆเยอะธาตุนีเยอะนะเอาธาตุน้อยๆก่อนเช่นธาตุสามกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุกามธาตุพยาปาทาธาตุและเนคขมธาตุอพยาปาทาธาตุอวิหิงสาธาตุพวกนี้ก็ธาตุเคยได้ยินธาตุสี่นะปัทวีอาโปเตโชวาโยอันนี้ก็ธาตุเคยได้ยินธาตุหกเองนะธาตุหกก็คือ ปฐวีธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุอาโปธาตุแล้วอากาศธาตุและวิญญาณธาตุแล้วมีธาตุอีกเอาเอาแบบธาสิบปดเลยนะเยอะๆหน่อยธาตุสิบแปดคือจักรคูธาตุสีสีคือรูปธาตุจิตเห็นเป็นจักรคูวิญญาณธาตุหูเป็นโสตธาตุเสียงดังๆเนี่ยเป็นสัตธาตุจิตได้ยินเสียงเป็นโสตวิญญาณธาตุจมูกเป็น คานาธาต์กลิ่นไม่เป็นบัตรไม่เคยได้กลิ่นเลยนะกลิ่นเป็นวิญญาณเนี่ยเป็นคานวิญญาณธาตุลิ้นเป็นชิวหาธาตุแผ่นลิ้นหรือชิวหาภาษาธะชิวหาภาษาธาตนะตัวแผ่นลิ้นทั้งทั้งแผ่นนั่นเป็นกายภาษาธาตอยู่ในนั้นด้วยแต่ว่าตัวชิวหาภาษาธะความสายที่สามารถรับรสได้เป็นชิวหาธาตุชิวหาธาตุระสาธาตุ รถก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งเหมือนกันและชิวหาวิญญาณธาตุกายธาตุโพธพธาตุและกายายวิญญาณธาตุมโนธาตุสัมปติชนะจิตสองดวงปัญจทวารวัชนะจิตอีกหนึ่งดวงเรียกว่ามโนธาตุธรรมธาตุโอธรรมธาตุเช่นธรรมธาตุนะเป็นรูปเนี่ยเยอะเลยนะรูปที่เป็นธรรมธาตุได้แก่ อาโปธาตุอาโปธาตุนี่ยหนึ่งสองโอชาจีวิตรูปภาวะรูปลักขณะรูปวิกาล ร, รูปพวกนี้เป็นธรรมธาตุจิตจิตเป็นจิตเป็นอะไรจิตบางอย่างเป็นมโนธาตุจิตบางอย่างเป็นมโนวิญญาณธาตุส่วนเจตสิกเป็นธรรมธาตุนี่พานเป็นธาตุไหมเป็นธรรมธาตุก็มีแต่ธาตุเลยนะ มีแต่ธาตุใช่ไหมสัตว์ บ, บุคคลไม่มีเลยก็อาศัยธาตุนั่นแหละประชุมประชุมกันเลยเรียกว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลจนกลายเป็นจะไม่มีธาตุจนไม่รู้อะไรอีกก็ไม่ใช่ ก, ก็ต้องรู้ทั้งทั้งสองอย่างนั่นแหละปัญญาที่สามารถที่จะรู้ธาตุมากๆทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาหนาแน่นเกิดปัญญามอเหอนกันเถิดปัญญาหนาสามารถที่จะรู้ธาตุต่างๆเหล่านี้ได้ และที่สามารถที่จะรู้อายตนะต่างๆได้มากที know, have, ่รู know, timing, timing, timing, timing, coming, timing, ้อายตนะต่างๆอายตนะมีทั ift, knows, ้งหมดสิบสองอย่างอายตนะคือตาจักขะอายตนะอายตนะคือสีอายตนะคือหูอายตนะคือเสียงอายตนะคือจมูกอายตนะคือกลิ่นอายตนะคือเลนอายตนะคือรสอายตนะคือกายอายตนะคือโพธาะ อายตนะคือใจอายตนะคือธรรมะต่างๆก็คืออายตนะสิบสองเป็นที่ต่อแห่งสังสารทุกอันยืดยาวทีนี้ต่อไปปัญญาที่กำหนดปัญญาที่เป็นไปในปฏิจจสมุปบาทมากปัญญาที่เป็นไปกับอวิชชาอาวิชชาเกลืร่วมกับจิตได้กี่ดวงอวิชชาได้แก่โมหะเจตสิกเกลืนร่วมกับอกุศลจิตทั้งสิบสองดวง สังขารได้แก่เจตนาเท่าไหรยี่สิบเก้าวิญญาณได้แก่วิญญาณสามสิบสองโลปิยะวิญญาณสามสิบสองนามรูปนามได้แก่เจตสิกที่ประกอบกับวิญญาณรูปได้แก่กรร ม, มัชรูปวิญญาณนามรูปสลายยตนาได้แก่อายตนะทั้งหลายมีจักขายตนะเป็นต้นนายตนะภายในภายนอกด้วยนะอายตนะ เป็นปะจจะให้เกิดภาษาภาษามีเท่าไรภาษาหกภาษาแล้วก็เกิดเวทนาเวทนาหกเวทนาแล้วกเกิดตัณหาหกตัณหาหกทาให้เกิดอุปาทานสี่อุปาทานสี่ทำให้เกิดภพสองกรรมมาพบกับอุปาติภพภพบทําให้เกิดชาติชาติชาติชาติเสร็จก็ใกล้ๆ้เกือบเกือบจุตินั่นแหละต่อไปก็เกิดแล้วก็ตาย คำหามยังไม่ทันตายนี่ทํากรรมอีกเทียบเลยอ่ะสามารถที่จะ ก, กำหนดปฏิจจสมุปบาทได้มากๆอย่างนี้เรียกว่ามีปัญญาหนาปัญญาในการได้สุญญาตาต่างๆมากสุญญาตาคือความว่างตานี่ว่างไหมว่างจากความงามว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากอัตตาเนี่ก็เป็นสุญญาตาอย่างหนึ่งเกณฑ์สุนิพุโตโลโกนะ ในความว่างเหล่าน matter, purely, มมี chercher, <c oughs> ai, ้นั้นตาก็ว่างสีก็ว่างจมูกก็ว่างกลิ่นก็ว่างกายก็ว่างคำว่าว่างในที่นี้ก็คือไม่ใช่ไม่มีนะมีอยู่แต่ว่างจากว่างจากอัตตาว่างจากผู้สร้างว่างจากผู้เสวยแต่สิ่งนั้นมีอยู่จะว่าไม่มีไม่ได้นะตาก็มีอยู่สีก็มีอยู่จิตเห็นก็มีอยู่แต่ว่างจากสัตว์บุคคลว่างจากความเที่ยงว่างจากแก่นสาร แล้วก็ปัญญาหนาก็คือเป็นไปในอัถะต่างๆมากอัถะมีห้าอย่างนะถ้ารู้ทันจ ม, มูกเป็นคั น, ทนธทธาตนนะุถ้าแสบตาเป็นโผทะพระ ธ, ธาตุควันนะถ้าแสบตาเป็นโผทะพระธาตุถ้าได้กลิ่นเป็นคันธทธาตุในในกลิ่นมีรูปเท่าไหร่ถ้ากลิ่นโท่ามีรูปเท่าไหร่เนี่ยนะมีรูปแปดรูปวินิโพครูปแปด ลองไล่ๆดูนะว่าแม่นขนาบไหมต่อไปนะในอัฐะอัฐามีห้าอย่างนะคือในผลที่เกิดจากปัจจัยในนิพพานกิริยาวิบากและก็เนื้อความแห่งพาสิทเรียกว่าอาาัฐะธรรมะได้แก่ปัจจัยอริยมรรคกุศลอกุศลและพาสิทธเรียกว่าธรรมะง้นปัญญาที่หนาก็คือไปรู้อัฐะต่างๆด้มาก ในธรรมะทั้งหลายได้มากในนิรุตติมากสมมุติถ้าอัฏฐะห้า 5, ธรรมะห้านิรุตติก็ต้องสิบปฏิพานก็ต้องยี่สิบนู่นแหละคือถ้าอัฏฐะห้า 5, ธรรมะห้านิรุตติก็คือยานในการแสดงทั้งอัฏฐะธรรมะใช่ไหมแสดงในอัฏฐะห้าแสดงในธรรมะห้าก็เป็นนิรุตติสิบทีนี้ปฏิพานก็คือปัญญาที่ไปรู้อัฏฐะไปรู้ธรรมะรู้นิรุตติก็เลยเป็นปฏิพานยี่สิบ ถ้ามีใครมีโอกาสก็ไปอ่านในปฏิสัมพิทาปฏิสัมพิธามะและในหัวข้อว่าด้วยปฏิสัมพิทาในนั้นมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องปฏิสัมพิทาเยอะถ้าใครอยากแตกฉานนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยกล่าวในเรื่องของปฏิสัมพิทาแปลว่าปัญญาแตกฉานปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานแตกฉานในธรรมะสี่อย่างคืออัฏฐธรรมะนิรุตและปฏิพานทีนี้ปัญญามากก็คือสา ม, มารถที่จะ เป็นไปในศีละขันต่างๆมากในสมาธิมากในปัญญามากวิมุตติมากวิมุตติญาณทัศนขันต่างๆมากและในฐานะอัฐานะในวิหารสมาบัติต่างๆมากในอริยศาสตร์มากในสติปัฏฐานมากในสัมมาปัฏฐานมากในอิทธิบาททั้งหลายในอินทรีย์ทั้งหลายในพรรธาทั้งหลายในโพชฌงทั้งหลายในอริยมรรคต่างๆมากในสามัญญผลในอภิญญาและในพระนิพพานอันเป็นประมัต ล่วงธรรมะสาธารณแก่ปุตชนทีนี้ต่อไปนะทาสปัญญาก็คือเหมือนกับธาตุปัญญานั่นแหละแต่ทาสเหมือนกับเขียนคำว่าธาตุแต่ทาสตรงนี้แปลว่าเรื่อนเริงพระพูะพุทธเจ้ามีปัญญาเรื่อนเริงทาสปัญญาก็คือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มากด้วยความเรื่อนเริงมากด้วยเวทเวทก็คือความรู้เวทะเวทาแปลว่าความรู้ มากด้วยความยินดีมากด้วยความบันเทิงย่อมบำเพ็ญศีลบริบูรณ์นะบันเทิงเหลือเกินในขณะที่บำเพ็ญศีลบำเพ็ญอินทรีย์สังวรบำเพ็ญโภชเนมตันยูรู้ประมาณในโภชนะอายกโภชนะมาเป็นตัวอย่างก็คือรู้ประมาณในปปปัััจจยนน่แแหลละะวาารรู้รมณใการสแสวงหารู้ประมาณในการรับรู้ประมาณในการบริโภคชาคริยานุโยกก็คือปฏิบัติ ทำมาเป็นเครื่องตื่นตื่นจากอะไรตื่นจากนิวรณ์ห้าแสดงว่าขนาไหนที่ตื่นไม่หลับนะแต่นิวรณ์เกิดขึ้นขนาดนั้นชื่อว่าหลับวันนี้ตื่นมากหรือหลับมากหลับมากนี่เออตื่นแน่นะตอนนี้ยฟังธรรมก็ตื่นนะนิวรณ์ไม่เล่นงานก็ตื่นแล้วต่อไปในเรื่องเริงในเรื่องของศีลขันใช่ไหมสมาธิขันปัญญาขันมิมุติขันมิมุติยานัศนะขันให้บริบูรณ์ บุคคลเป็นผู้มากด้วยความเรื่นเริงมากด้วยเวทมากด้วยความยินดีมากด้วยความบันเทิงย่อมแทงตลอดฐานะอถาถนะบุคคลผู้มากด้วยความเรื่นเริงย่อมบำเพ็ญวิหารสมาบัติให้บริบูรณ์บุคคลมากด้วยความเรื่นเริงย่อมแทงตลอดอริยสัจบุคคลย่อมเจริญสติปัฏฐานสมาประฐานอิทิบาทอินทรพละโทษชงอริยมรตบุคคลผู้มากด้วยความรื่นเริงย่อมทำให้แจ้งซึ่งสามัญญผล ย่อมแทงตลอดอภิญยาทั้งหลายบุคคลผู้มากด้วยความรื่นเริงมากไปด้วยเวทมากด้วยความยินดีมากด้วยความบันเทิงย่อมทําให้แจ้งซึ่งพระนิพานอันเป็นปรมัภิคผู้ที่มีปัญญามากปัญญารื่นเริงก็เป็นไปกับเรื่องทั้งหลายเหล่านี้อ๋อยังกินจิยังกินจินจแปล ว, ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งสมุทยะธรรมมังไม่ใช่ทานนะสมุทยะธรรมมังก็คือยังกินจิ สมุทยะธรรมะสมุทยะแปลว่าการเกิดขึ้นธรรมะก็คือธรรมะยังกินจิตสมุทยะธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาธรรมะตัว น, นั้นแปลว่าธรรมดายังกินจิตสมุทยะธรรมังสัพพันธังนิโรโททธธรรมังสัพพันธังก็คือทั้งหมดเหล่านั้น่ะล้วนแต่นิโรธะแปลว่าดับไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดา ใช่ไหมขันห้ารูป uh, ขันก็ล้วนมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นขันห้าก็ต้องมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาแล้วทาไมขันห้าจึงเกิดขึ้นปัจจัยที่ทําให้ขันห้าเกิดนี้เท่าไหร่ขันห้าจะเกิดเกิดด้วยอาการยี่สิบห้าถ้าจะเสื่อมเสื่อมด้วยอาการยี่สิบห้ารูป uh, ขันเกิดเกิดขึ้นด้วยอาการเท่าไหร่เสื่อมเสื่อมด้วยอาการเท่าไหร่รูป uh, ขันเกิดขึ้นด้วยอาการห้าเสื่อมด้วยอาการ ห้าเวทนาก็เกิดห้าเสื่อมห้าเพราะฉะนั้นนี่ฝ่ายเกิดยี่ิบห้าฝ่ายเสื่อมยี่สิบห้าทั้งเกิดทั้งเสื่อมเลยเป็นห้าสิบในกรดอุทยพยานห้าสิบอ่ะได้ยินนะถ้าห้านี่มีอะไรบ้างอ่ะถ้ารูปประคันเกิดเพราะอะไรเกิดอวิชชาเกิดรูปจึงเกิดตัณหาเกิดรูปจึงเกิดกรรมเกิดรูปจึงเกิดแล้วอาหารเกิดรูปจึงเกิด สุดท้ายและนิพพติลักษณะคือลักษณะที่เกิดของของรูปนั่นแหละห้าอย่างนี้นะอวิชชาตันหะกรรมอาหารและนิพพติลักษณะห้าอย่างนี้เรียกว่าการเกิดห้าตรงนี้จะต่างจากในปั จ, จยภปริคหายานตรงนี้เนี่ยเป็นภูมิของอุทยพย า, ยานถ้าในปั จ, จยาปริคหายานเนี่ยนะตันหาอวิชาอุปาทานเหมือนแม่กรรมเหมือน พ่ออาหารเหมือนพี่เลี้ยงที่ทําให้รูปประคันเกิดแต่ตรงนี้ต่างกันนิดหน่อยตรงนี้บอกว่าอาวิชาตันหากรรมอาหารและความเกิดขึ้นของรูปเรียกว่านิพภติลักษณะรูปประคันจะเกิดเกิดด้วยอาการห้านี้ถ้ารูปประคันจะเสื่อมก็เสื่อมด้วยอาการห้าเพราะอาวิชาเสื่อมรูปจึงเสื่อมเพราะตันหาเสื่อมรูปจึงเสื่อมเพราะ กรมเสื่อมรูปจึงเสื่อมเพราะอาหารเสื่อมรูปเจีงเสื่อมและวิปริณามลักคณะคือลักษณะที่ที่เสื่อมของรูปนั่นแหละเพราะฉะนั้นรูปประคันจะเสื่อมเสื่อมด้วยอาการห้าเกิดท่าเสื่อมห้านี่คือความเกิดเสื่อมอันอุทยภัยญาณเห็นเห็นเกิดเนี่ยเห็นรูปประคันเกิดด้วยอาการห้าเสื่อมด้วยอาการห้าไม่ใช่อุปาทิฏฐิพังคะนะบอกว่าเกิดดับนี้เห็นอุปาทาิฏฐิพังคะไม่ใช่อย่างนั้นเลย อุทยรพย า, ยานนั้นจะต้องอนุวัตตามพวกสัมมาสนญาณต้องอนุวัตตามปัจจยปริคหายาณเพั้นยาที่จะเห็นความเกิดความดับนั้นคนนั้นจะต้องตีระนปริญญานี่ดีมากตีระปริญญาจะดีได้ก็ต้องอาศัยอะไรยาตะปริญญาเพราะนเรื่องปัจจัยนี้เป็นเรื่องที่แต่ฉานละเอียดละออมมากเวทนาขันเกิดด้วยการห้าคืออวิชชาตันหากำผัสสะ แล้วสุดท้ายก็คือนิพพติลักษณะคือลักษณะที่เกิดนะเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันเนี่ยใส่เข้ามาคำว่าผัสสะแทนอาหารแทนตรงนั้นนิดหน่อยส่วนวิญญาณวิญญาณนั้นเปลี่ยนเป็นนามรูปเปลี่ยนเป็นนามรูปเท่านั้นเองที่เหลือไม่มีอะไรพิเศษถ้ารูปประคันนี้อาหารเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นผัสสะ ส่วนวิญญาณนั้นได้แก่นามรูปส่วนอวิชาตันหากรรมและนิพพติลักษณะนะฝ่ายเกิดนี่เรียกว่านิพพติลักษณะส่วนฝ่ายเสื่อมเรียกว่าวิปริณามลักษณะผู้ที่สามารถที่จะยังเห็นความเกิดและความเสื่อมอันนี้ได้คนนั้นเจริญธรร ม, มานุปัสนาประเภทขันธ์ห้านะเคยได้ยิน ไ, ไหมที่สุ ข้ออื่นยังมีอีกพิกษจน์ในธรรมนินต์นี้ย่อมพิจารณาเห็นอุปาทานขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณวันนี้รูปประขันนี้รูปนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปนี้ความเสื่อมไปแห่งรูปนี้เวทนานี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนานี้ความเสื่อมไปแห่งเวทนานี้สัญญานี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญานี้ความเสื่อมไปแห่งสัญญานี้สังขานี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขารนี้ความเสื่อมไปแห่ง สังขารนี้วิญญาณนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณนี้ความเสือ่อมไปแห่งวิญญาณพิสูจย่อมพิจารณาเห็นธรรมะในธรรมะคือขันธ์ห้าเนี่ยนะเป็นภายในบ้างพิจารณาเห็นธรรมะในธรรมะคือขันธ์ห้าเป็นภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมะในธรรมะคือขันธ์ห้ทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นบ้างพิจารณาเห็นความเสื่อมบ้างพิจารณาเห็นทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมบ้างย่อมอยู่ ก็คืออยู่แบบเนี้ใช้ยืนเดินนั่งนอนด้วยการเจริญความรู้อันนี้เจริญความรู้นะไม่ใช่แปลว่าไปทำให้ขันมันแตกนะไม่ใช่ความรู้อันนั้นนั่นเป็นตัวปฏิบัติใช่ไหมสติปัฏฐานอาตาปีสามปชาโนสติมาตัวนั้นอ่ะสามอย่างนั่นแหละทีนี้ความรู้อันนี้เนี่ยเกิดขึ้นมากเสร็จแล้วพอกคูณอย่างนี้บ่อยๆมากๆเพื่อละอภิชาและโทมนัน์ในโลกโลกก็คืออุปาทานขันห้า จนว่าเห็นความเป็นไปของขันห้าอยู่ที่ไหนไม่มีขันห้าบ้างมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะพิจารณาขันห้าได้ตลอดถ้าหากว่าการพิจารณาเรื่องราวเหล่านี้นะควรที่จะศึกษาเรื่องขันห้าให้เข้าใจโดยละเอียดเพราะว่าแหมจะเอาเกิดเสื่อมเลยไม่รู้จักกรรมนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะต้องรู้ว่าอาวิชชานี่มันทาให้ขันเกิดได้อย่างไร ก็เป็นข้อที่ไปคิดต่อไปว่าเอาตัณหาเป็นเป็นเหตุให้รูปประคันเกิดได้อย่างไรกรรมเป็นเหตุให้รูปประคันเกิดได้อย่างไรใช่ไหมอาหารเป็นเหตุให้รูปประคันเกิดได้อย่างไรลักษณะที่เกิดของรูปประคันมีกี่อยากรูปประคันโดยเกิดนะเกิดโดยอาาัตตาโดยสันตติและโดยขณะต้องไปศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจอีกครั้งหนึ่งฉั้นความรู้อันนี้เนี่ยต้องพอกพูนให้มากๆ ถ้าพ่อคูณความรู้อันนี้มากๆเรียกคนมีปัญญาหนาอาวิชชาตันหากรรมนามรูปและก็นิพพตินิพพติลักษณะนิพพติลักษณะไปดูได้ในเล่ม68อุทยพยาญชนศในเล่ม68นะวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาแล้วนะทนะ้าที่สุดนี้เพาความสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลาย